มาถึงจิตอีกระเภทหนึ่งที่เรียกว่าสอุตรจิตหมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์ของกามอบจรทั้งหลายคือจิตที่หมุนวนอยู่ด้วยภูมิของกามมีความกำหนัดรักใครยินดีอยู่ในกามสั้นของจิตตามที่ทรงแสดงไว้นั้น ก็มีอยู่สี่ชั้นและสี่ภูมิด้วยกันภูมิแรกเรียกว่ากามาวรจารภูมิคือภูมิจิตหรือชั้นของจิตที่บุคคลนึกคิดไปเรื่อกมากความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจอันเป็นอาการของโทสะอย่างอ่อนๆจนถึงอย่างแรง ชั้นที่สองเรียกว่ารูปาวัจรภูมิคือชั้นของจิตที่อยู่ในภูมิของรูปภป่มิซึ่งในชั้นนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจะทำให้ชั้นของจิตของตนสูงขึ้นไปอยู่ในภูมินี้แม้วัตวภาพร่างกายของตนจะยังเป็นมนุษย์อยู่ เอชันของจิตจะเหนือมนุษย์ขึ้นไปชัปน้นของรูปภพรมเป็นต้นลักษณะจิตเหล่านี้ก็คือจิตที่ได้กล่าวมาในวันก่อนได้แก่จิตที่ประกอบด้วยปีด้วยวิสุกวิจารณปีติสุขและเอกกาตาอันเป็นองค์ของฌานแต่ละขอ้อและจะมีความประนีตลงไปโดยลํำดับ จนเหลือแต่อุเบกขากับเอกกตาคือจิตที่มัธยัติอยู่ท่ามกลางกับความสงบแน่วแน่อย่างมั่นคงอยู่ในอารมณ์ที่กำหนดแก้วชั้นของจิตประการต่อไปเรียกว่าอารูปาวจรภูมิคือชั้นของจิตที่ค้องจิตอยู่ในอารุ คือส่วนที่เป็นนำ ม, มาทามีลักษณะประณีตขึ้นไปด้วยผลของสมาธิและการ ใ, ใช้ปัญญาพินิจิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเริ่มต้นมาจากอากาศวิญญาณจนมองเห็นสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีความรู้สึกทายถอนในอารมณ์ทั้งหลายออกไป จนจิตมีความรู้สึกต่อโลกต่อชีวิตต่อสิ่งทั้งหลายว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือสามารถย่อยสัและสังขารออกไปโดยลําดับกลายเป็นขันธ์ธาตุอาิยตนะมเป็นต้นและในตัวขันธ์าตุอริยธระเองก็ถูกย่อยองไปอีกจนกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีไปเลยสิ่งบางอย่างก็ถือว่ามีหรือไม่ จะถือว่ามีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่ชั้นจิตนี้ก็แบ่งออกเป็นสีกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแล้วต่อไปก็คือโลกุตรภูมิเป็นชั้นจิตของพระญาติบุคคลแต่การที่ทรงสอนให้บุคคลกาหนดรลึกนั้นจะสอนเพียง3ชั้นดังข้างต้นเท่านั้นเองพระโลกุตรภูมิไม่ต้องกําหนดจะจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาในขณะนั้น เป็นความรู้ที่ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นการสอนให้ดูจิตระดับปุตูุชนคือตั้งแต่อรูปาวะจรภูมิลงมาสัจรรจิตที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็คือจิตที่เป็นไปในกามาวจรภูมิสามารถจำแนกขยายออกไปได้เป็นนั้นมาก แต่โดยพื้นฐานแล้วก็มีมูลมาจากสา ม, มูลด้วยกันคือจิตที่มีรากง่ามมาจากโลภะจิตที่มีรากง่ามมาจากโทสะที่มีรากง่ามมาจากโภหะเป็นท่านแบ่งออกไปเป็น12ประเภทใหญ่ๆแต่นั้นก็คือการแบ่งโดยละเอียดออกไปซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตประเภทที่ จะเกิดความรู้สึกยินดีโดยอาศัยสิ่งภายนอกมาปรุงแต่งบ้างหรือไม่ปรุงแต่งบ้างจะในขณะที่อุกโจนในรูปด้วยตาเป็นตน้นเกิดความยินดีเกิดความพอใจในรูปเหล่านั้นจะมีการพูดเชิญชวนให้เกิดความพอใจหรือเกิดความพอใจขึ้นโดยลำพังตนเองก็ตาม ก็รู้ว่าสายของความคิดนี้เป็นสายของความคิดที่ประกอบด้วยโลภะบางครั้งมีความละเมียดละไมจนมองดูไม่ออกว่าเป็นอกุศลเช่นมีความเอิบอิ่มยินดีในวัตถุในบุคคลในสิ่งของต่างๆไม่ถึงกับมีอาการแผดเ่าอะไรรุนแรงนะัก รับรู้สึกบันเทิงชื่นบานรื่นรมนอารมณ์หลอดนั้นแต่บุคคลก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบถึงความคิดในขณะนั้นนั้นว่าความคิดในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการยึดจิตควายคว้าสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นของของตนมากขึ้นหรือไม่และก่อให้เกิด ความอยากที่สืบเรื่องจากจุดนั้นต่อไปอีกหรือไม่เป็นสภาพจิตเป็นเช่นนั้นก็ต้องรู้ว่านั้นเป็นอกุศลกลุ่มนี้ซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วตอนต้นๆอาจจะไม่มากอะไรเท่าไรแต่โรคความชื่นชมความยิน ด, ดีในอารมณ์เหล่านั้นจะมีใครมาเชิญชวนหรือมากระตุน้นหรือไม่ก็ตาม ใจก็จะเหนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นแลนามาปรุงคิดคิดปรุงไปด้วยวิธีการต่างๆในสุดความรู้สึกในแนวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยความโสมนัสเช่นเดียวกันไปเกิดยินดีเกิดชื่นชมในอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ปราศจาก ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิในลักษณะนี้ออกจะละเมยดละไมเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงแสดงอาการเป็นความชื่นชมยินดีความยึดติดและปรารถนาให้ขยายสิ่งนั้นขึ้นจนถึงขยายสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นออกไปอาการเหล่านี้น่านก็สอนในรู้ว่าเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยโลภะคือสายโลภะ ในขณะปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นบางครั้งความรู้สึกแนวนี้บังเกิดขึ้นจนทาให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจว่าใจเดินอยู่ในคลองของกุศลใจรู้สึกต้องการปรารถนาความสงบมุ่งมันที่จะให้เกิดความสงบปรารถนาสมาธิปรารถนาปีติปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ใจก็ปรุงมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลช่นนั้นขึ้นมาดูแล้วก็ได้จะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าในชั้นของจิตผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่านั่นคืออาการของโลภะที่ปรากฏในรูปของความปรารถนาสิ่งที่เป็นกุศลแต่ใจก็ดินใจก็ติดใจก็กำหนักเพลิดเพลิอพอนอยู่ในสิ่งที่ตัวปรารถนาเหล่านั้น เมื่อใจยังปรารถนาสายไปในอารมณ์เช่นนั้นอยู่ความสงบที่บุคคลมุ่งหมายจะให้เกิดขึ้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลักของการปฏิบัตินั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงกันข้ามกับสมาธิเมื่อจิตยังประกอบด้วยการเช่นนี้อยู่สมาธิคือความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออารมณ์ในลักษณะนี้ไม่คไม่ครอบงามจิตใจของบุคคลดังที่ทรงแสดงไว้ว่ากามาัจฉันนั้นเป็นปฏิปัติต่อสมาธิเป็นอาการทรงกันข้ามถ้าจิตยังมีอาการของกามาัฉันจะเป็นความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีความรักใคร่ความปรารถนา ความต้องการซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยแรงอะไรเท่าไหรไม่เหมือนกับอาการของตันหาอาการของอภิชานั้นแรงชัดแรงตัดปรากฏเห็นได้แต่อาการเหล่านี้บางอย่างมีความละเอียดละไมนังกล่าวเพื่เข้าใจว่านั่นก็คือกลุ่มของโลภะเหมือนกันซึ่งตรงกันข้ามกับเอกะกะตาหรือจิตที่เข้าถึงความเป็นนันเดียวหรือสมาธิ สภาวะธรรมทั้งสองประการนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลที่ละเอียดฝ่ายหนึ่งก็เป็นอกุศลที่ละเอียดแต่ไม่มีลักษณะร่วมของกุศลกับอกุศลไม่ว่าในคู่ใดก็ตามดังนั้นเพราะความรู้สึกในแนวนี้บางเกิดขึ้นกุศลธรรมคือสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้รายกำหนดรู้จิตในขณะนั้นโดยความเป็นจริงอย่างไร แล้วคนอนทรงสอนให้เปรื่องจิตคือผ่อใ น, ในคลายความนึกคิดในลักษณะนั้นออกไปจนเจอจางลงไปโดยลําดับมัสามารถที่จะสร้างสมาธิคือความสงบให้บังเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดจิตมันก็กลายเป็นมหกตะคือจิตประเภทก่อนจิตกลางาแล้วแนวการตรวจดูจิตในลักษณะนี้ก็คงจับคู่มาเหมือนคู่อื่นๆ ซึ่งสรุปว่าฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลแต่ให้สติระลึกรู้ทันตามความเป็นจริงของจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในแต่ละช่วงของความคิดช่วงของอารมณ์บางครั้งบางคราวเป็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในเวลารวดเร็วไม่เกิดขึ้นแบบสืบเนื่องกันมาเหมือนกระ น, น้ำไหลไฟสว่างแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นอกุศล เป็นเหมือนดดสีดำจะมีมากหรือน้อยก็ตามมือหยดลงในผ้าที่ขาวอยู่สีดำนั้นก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นทำให้ผ้าเหล่านั้นซับลงไปใจบุคคลที่ถูกอารมณ์ประเภทนี้แม้แต่จะหลายผ่านมาแต่ก็ตกตะกอนเป็นแปรใจเป็นมนทินใจสังสอนในกำหนดรู้ตามความเป็นจริงไว้ แล้วก็ถ่ายถอนบรรทอนบรร ท, ทอนความรู้สึกเหล่านั้นออกไปอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดโสมนัตในอารมณ์ทั้งหลายสมนัสนั้นคุณสังเกตว่าเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เช่นพระพุีประากเจ้าทรงเปร่งพระพุทธรูทานอาศัยพระญาณที่เรียกว่าสมนัติญาณคือพระญาณที่เกิดขึ้นด้วยความสมนัต นั่นคือโสมนัสระดับโลกุตระคือเหนือโลกไปไลยโสมนัสจึงมีอยู่ทุกชั้นแต่ว่าชั้นที่เป็นฐานใจของปุถุชนนั้ น, สนแสดงว่าการที่บุคคลไปกําหนดไม้อารมณ์ในลักษณะน่าใคร่ยน่าปรารถนาน้าพอใจจะเกิดด้วยความเห็นผิดที่มีการปรุงแต่งหรือว่าไม่มีการปรุงแต่งก็ตามเป็นเข้าใจว่า มีเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้สนับสนุนประการที่เป็นอัธยาศัยหรือเป็นจิตสันดานนั้นสืบเนื่องมาจากบุคคลผู้นั้นจุติมาจากภพที่มีสมนัตืออารมณมที่ก่อให้เกิดสมนัตมากเช่นว่าจุติมาจากสวรรค์หรือจุติมาจากมนุษย์ มีฐานะมั่นคงดีในชาติก่อนพบก่อนท่านเหล่านั้นก็เพเลิดเพลินรื่นรมยู่ในอารมณ์ต่างๆเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นตะกรใจในที่สุดก็กลายเป็นคนมักกำหนดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายในชีวิตปัจจุบันก็จะพบเป็นเฉพาะอารมณ์ที่ดีที่สุดมากจะมีการกำหนด รูปเสียงกินรสผลตภะในแนวที่กระตุ้นโลภะมากกว่าแนวอื่นการเกี่ยวข้องการคบหาสมาคมของบุคคลนั้นการได้ยินได้ฟังเป็นต้นทั้แล้วแต่ส่งเสริมให้เกิดความกำหนัดรักแค่ยินดีจิตใจของบุคคลไม่เคยประสบกับความผิดความเสื่อมมากนักเช่นเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมมิตร เริมวิชาความรู้เสรมจากสถ า, สถานะต่างๆเป็นตน้นข้อนี้บุคคลจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าจิตใจของใครก็ตามที่ถูกความบีบคั้นในลักษณะต่างๆรุนแรงมีการบีบคั้นกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆเพิ่มเติมลงไปเรื่อยๆคนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกชิงชังโลกมองโลกในแง่ร้าย ลักษณะดุนแรงซึ่งก็เป็นอีกสายหนึ่งคือสายของโทสะแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในแวทผงของสิ่งดีงามทั้งหลายตาได้เห็นรูปดี ๆ, ๆหูได้ฟังเสียงดี ๆ, ๆเป็นต้นภายในใจของบุคคลก็จะเก็บเรื่องดีงามเอาไว้แต่เรื่องดีงามในแนวนี้ก็เป็นกรรมกุณ เป็นกลุ่มของวัตถุที่กอ่อให้เกิดความกำนัดรัค่ายินดีสำหรับบุคคลที่ยังมีกิเลสกามอยู่ภายในใจบุคคลเหล่านั้นจะไม่ค่อยมองโลกในแง่ที่รุนแรงมักจะไว้เนื้อวยใจบุคคลอื่นโดยง่ายจะประกอบไปทั้งหมดเุในความ ร, รู้สึกนึกคิดต่ออารมณ์ในนนั้น ตอีกแนวเดิง น, นั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากแนวมัธยัติเป็นกลางอาจจะใสความรู้ที่มีคนมีการปรุงแต่งเสริมส่งให้เกิดความคิดหรือไม่ก็ตามลักษณะเหล่านี้เป็นมีการกำหนดอารมณ์ว่าสิ่งนั้น มีคุณเป็นตนจึงขัดแย้งกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เจนมีการกำหนดหมายว่าการมาคุณนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความคลายความปรารถนาความพอใจเป็นสิ่งดีพิเศษพิเศษสูงสุดเหนือกวา่าอารมณ์เราอื่นจิตใจก็จะมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินออูในสิ่งเหล่านั้น ลักษณะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยในายานนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ออกจะละเมิดละใหม่และก็ในเวลาที่รวดเร็วซึ่งถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถตั้งสติกำหนดรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะความรู้สึกในแนวนั้นก็จะผ่านไป คำนองเดียวก็ปล่อยให้ขระโมยกระโจนผ่านเข้าไปตึงภายในบ้านนั่นเองลักษณะของอารมณ์ในแนวนี้บางคราวบางคราวก็ไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสสายโลภะที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังสูงขึ้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นซึ่งการสะสมในแนวนี้เช่นเดียวกับการสะสมทั้งหลาย ไม่ว่าจะสะสมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ตามไม่มีการเก็บการสะสมไว้ไปบปรย์ๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูดมากยิง่งขึ้นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีแต่นั้นกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของความดีที่ทางบาลีท่านจําแนกออกเป็นสองสายสายกิเลสเรียกว่าอาสวะเรื่การหมักหมมสะสม ดองเอาไว้ภายในใจแต่เป็นการเก็บผิดเก็บชั่วเอาไว้มากๆในสุดพวกนี้ก็จะมีกำลังครอบนำจิตใจของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวิจาดังนั้นอกุสุนธรรมทั้งหลายก็เป็นลักษณะของอารมณ์หรือว่าการที่ออกมาทางกายทางวิจา พระทธเจ้าจึงจึงทรงสอนไม่ให้บุคคลประมาทเพราะมีอยู่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าไอความเล็กน้อยเหล่านั้นถ้าปล่อยไว้ไบ่อยๆปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นจึงทรงสอนให้หยุดเสียตั้งแต่ตอนต้นในกรณีที่เป็นความโลคจัดเกินไปอาการเหล่านี้พร้อมที่จะรุนแรงและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแม้ในด้านชื่อที่เรียก และการที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตคือจะแผดเผารุนแรงขึ้นเร่าร้อนรุนแรงขึ้นทายไปในอารมณ์ต่างๆรุนแรงขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มที่มีมูลรากมาจากโทสะจะมีการกําหนดอารมณ์ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิฆะคือไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีในอารมณ์ต่างๆ การกำหนดในแนวนี้ซึ่งตามปกติแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลเป็นการสังเกตได้ง่ายเท่าไรเพราะเวลาบุคคลเห็นรูปตาเป็นต้นจะมีการกำหนดอยู่สองแนวเสมอคือพอใจกับไม่พอใจส่วนแนวที่สามที่เรียกว่ากลางๆหรือองปยากรินั้นไม่ก็มีผลต่อจิตใจเท่าไหร่ สองประการ น, นี้เองที่มีผลกระทบต่อใจในทางเพิ่มกิเลสกำหนดร่าพอใจก็เพิ่มสายโลภดังกล่าวกำหนดว่าไม่พอใจก็เพิ่มสายโทสะดังกล่าวการกำหนดในแนวนี้จึงเกิดจากความเชื่อผิดความเข้าใจผิดของบุคคลจะมีอะไรกระตุ้นจากข้างนอกหรือไม่กระตุ้นก็ตามข้อนี้เพื่สังเกตจิตใ จ, ใจของบุคคล บางครั้งก็เกิดงุนงดขึ้นมาเฉยๆแ่นั้นเองเป็นการงุหงดชนิดที่ไม่มีปีไม่มีครุยอะไรแต่บางอย่างไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกแล้วก็ให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ในชั้นการปฏิบัตินั้นท่านไม่ใส่ใจเท่าไหร่ถึงแหล่งที่มาพ็จะไปใส่ใจถึงแหล่งที่มามันออกจะรุงรังในทางอารมณ์จิตต้องวิ่งไปวิ่งมาสืบสวน เป็นเรื่องของการวิจัยเป็นเรื่องของปริญญาต์ไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัติเป็นการมองเหมือนกับมองกระแสน้ําที่ไหลามาหรือว่ามองเครื่องที่เขาผิดด้วยไฟฟ้าอย่าพวกน้ำปลาน้ําดืม่มที่มันเดินมาแต่นั่นเองเอกการวิธีขั้นตอนก็เป็นยังไงไม่ใช่ภารกิจของเราภารกิจของเราเพียงแต่ตรวจสอบ พอขวดนั้นขวดนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเด็ก็ดูเฉพาะจุดนั้นอะไรที่เป็นพิรุษก็แก้ไขที่ไม่เป็นพิรุษก็ปล่อยไปโดยไม่ต้องไปสืบสาถึงต้นต่อที่มาถึงส่วนผสมถึงอะไรเพราะนั้นเป็นเรื่องปริยัติไปแล้วถ้าหากว่าศึกษาในแนวนั้นจิต ก, ก็จะวิ่งวิ่งไปสืบสวนทวนทาง แต่ว่าแนวการศึกษาแนวนี้ก็ไม่ไม่ใช่ไม่มีคือมีเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ต้องการจะทําลายผลลัพธ์ขอ ง, องโคตรของอารมณ์ที่เป็นอกุศลจึงสอนให้สืบสาวไปถึงต้นตอของตึงเหล่านั้นแต่ในชั้นของจิตตาอนุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูจิตที่ปรากฏในแต่ละขณะไม่ต้องไปดูที่มาครับ มายังไรก็ดูให้ชัดว่าเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะหรือไม่ซะนั้นเองจิตที่เป็นโทสะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความรุนแรงอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วตอนที่วัดด้วยจิตประกอบด้วยโทสะคือบุคคลจะต้องดูให้ประจักษ์ชัดว่านี้ก็คือสาอุตรจิตประเภทหนึ่งซึ่งก็เป็นอกุศล แต่อย่าลืมว่าที่ตรงงันข้ามนั้นแต่ก็เป็นกุศลได้คือที่เกิดขึ้นโดยความเมตตาความกรุณานะก็กลายเป็นกุศลได้เช่นเดียวกันเมืม่อเป็นกุศลก็กุศลคือประคับประคองรักษาไว้ส่วนที่เป็นอกุศลก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วบรรพาผ่อคลายไปดังกล่าวบางครั้งเป็นสายที่ประกอบด้วยเมตโมหะคือความมุดบอดทางใจ อาจจะออกมาในเรื่องของความชายเย็นทางอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือไม่ยินดีในกุศลนัดธรรมการสายไปของจิตจนกร่งเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเป็นหงุดหงิดขึ้นมาหรือการเครือบแคลงสงสัยในขณะนั้นเองเช่นว่าสงสัยว่าใจเราซึส ง, งบหรือไม่ซึส ง, งบการกระทําเช่นนี้มีความถูกต้องหรือไม่หรือว่าเราเดินทางผิดหรือเราเดินทางถูก ตั้งปัญหาขึ้นมาถามตัวเองในสุดตอบไม่ได้สักอย่างหรือความสงสัยในหลักใหญ่แต่ที่เคยกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วยวิจิกิจฉานั่นก็คือเป็นอาการของโมฆะตัวการที่ก่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากความเครื่อนแฝงสงสัยไม่แน่ ใ, นใจมีตัวกระตุ้นก็ได้ไม่มีตัวกระตุ้นก็ได้ก็ดูให้ประจักษ์ในแต่ละขณะ สรุปว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระจายออกไปแล้วก็จะมีเป็นสามสายใหญ่ๆแล้วก็มีองค์ประกอบย่อยอีกเป็นนั้นมากนั่นก็คือเป็นการนับจิตในชั้นของปริยัติจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการตามดูจิตท่นั้นเองให้ดูประจักษ์ชัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นโดยสรุปเราแก้ทางจิตไปโดยในญยยที่กล่าวแล้ว ในการปฏิบัติเช่นนี้เมื่อบุคคลรู้เท่าทันกระบวนการของจิตในกรณีที่จิตขึ้นสูงสายที่เป็นมหกศจรรย์คือถึงความเป็นใหญ่เนื้อกิเลสเนื้ออารมณ์ทั้งหลายก็ประคับประคองรักษาไว้แล้วก็เพิ่มพูดมากขึ้นขึ้นซึ่งกรณนนีทรงใช้สูตรเช่นเดียวกัน เคยใช้ความเพียนพยายามมีสติมีสัมปชัญญะโดยอาศยการปลูกฝังความพอใจในกุศลธรรมเหล่านั้นมีความเพียนพยายามที่สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายอีกเข้าถึงความเป็นกุศลในอัปใดก็รักษาไว้ส่วนในอกุศลก็เพียนพยายามละละได้ขนาดใดก็รักษาไว้ในขนาดนั้นแล้วก็เพียนละต่อไปเป็นการขัดเกล่ กุศลให้เจือจางลงไปจากจิตเพิ่มพูนกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจความเปลี่ยนแปลงทางจิตจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นทําให้บุคคลนั้นดําเนินใกล้ความสงบเข้าไปโดยลําดับและถึงความสงบที่แท้จริงจนถึงเดินไปเส้นทางของอริมาดังกล่าวเมื่อก่อนนอนต์ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป